ต่อจากนี้ไปเป็น 20 พฤษภาคม 2529 นะพุทธสถานเสติดสุขขอ รู้ดีว่าการมีสติดีว่าการมีสตินั้นเป็นสําคัญดัง บำรุงสงวนตนให้มีสติที่เป็นสัมมาโลกิยะสติสามัญมัน สงวนตนอบรมตนฝึกฝนตนตั้ง เป็นผู้กําลังเดินกําลังก้าวอยู่ใน ผู้กล่าวเดินด้วยความพยายามมีความเพียรตั้งตนอยู่ ปรับจิตเข้าจนถึงอุเบกขาได้เสมอนั่นเอง มีบอกว่าเวลาสวดมนต์บางคนก็ดังฟังได้ชัดพอดีพอดีแล้วก็เลยทําไมล่ะ ผู้ใดที่ทําแต่อรหังในใจในใจในแม้แต่จะเปล่งอรหังออกมาข้างนอกๆก็เปล่งเสียง นะความพร้อมเพรียงมันเป็นอะไรอีกอย่างนึง นำกันพากันทักจูงชักชวนกันเป็นสื่อนําให้ผู้ที่เขาไม่รู้ไม่เห็นๆนานา ไอ้ได้รู้ได้เข้าใจอะไรต่อใดเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับสัตย์ธรรมอะไรต่างๆเพิ่มไปนอบน้อมผู้นั้นนอบน้อมทําไมแล้วขยาย แล้วก็ไม่นําไม่พาอะไรกันพอเพียงพอเวลาสวดมนต์ก็ เป็นจิตที่รู้จักความดีความชั่วความควรเรียนทั้งนั้นมันเป็นการศึกษาทั้งนั้นเป็นการฝึกปรือ นะมีการดําริมีการนึกคิดมีการบอกการทั้งหลายทั้งแหล่การกระทําทุกอย่างแล้วก็เป็นอาชีพมี กุศลที่ว่านี้มีความหมายลึกซึ้งมากอย่างอาตมาอธิบายแล้วเมื่อเพราะฉะนั้นกุศลคือความดีอะไรดีที่สุด ดีเท่าไหร่เลี่ยงไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยดีคือการชําระกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือสิ่งที่ได้แก่เป็นสิ่งที่เลวไหลสิ่ง มันเพราะสิ่งที่ล้นเกินอย่างนั้นนั่นแหละเป็นกิเลสถ้าผู้ แล้วจะทําอะไรอะไรก็เป็นเป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ในตัวของมัน นั่งซึมเฉยๆนิ่งรู้ทื่ออยู่ถ้าแบบนั้นแล้วเป็นคนเฉื่อยอ่าเป็นคน ก็โง่ลงโง่ลงเพราะฉะนั้นในระบบของโลกเค้าก็ซักซ้อมเค้าซ้อมๆนานาสรรพรรคนี่ ความคิดมันเฉื่อยพอมาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไปเรียนธรรมะในสายใน กลายเป็นคนโง่กลายเป็นคนไม่รู้เรื่องคนโง่กลายเป็นคนไม่รู้เรื่องกลายๆซ่าๆแบบนี้ทําให้คนเสื่อมทําให้คนเสียเสียสมรรถภาพเสียมนุษยภาวะ ให้อย่าคิดเป็นพยาบาทคิดแต่อย่าคิดเป็นกามอย่าคิดเป็นพยาบาทอย่าคิดท่านอย่าไปทําร้ายทําลายอะไรใครกินมากก็เบียดเบียน มันเบียดเบียนต่างๆนานานี่ละเอียดละออมากเพราะงั้นจะเราจะดําริอย่างไรที่เป็นสัมมาแล้วก็ฝึกไปเป็นขั้นเป็นตอนตามฐานะ สรุปง่ายๆคิดโดย